พระไตรปิฎกเล่มที่12บสองมาราตชนียสูตรการคุกคามของมารสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคลานะอยู่ณเพศกาลาวันเขตกรุงสุขสุงมาราคีระในแคว้นพัก ค, คะสมัยนั้นท่านพระมหาโมคลานะเดินจงกรมอยู่ในที่แจ้งถูกมารใจบาปเข้าสิงในท้องในไส้ได้มีความคิดอย่างนี้ว่า ท้องเราเป็นเหมือนว่ามีก้อนหินหนักๆและเป็นเช่นกระสอบที่บรรจุทั่วเหลืองเต็มเพราะเหตุไหรหนอจึงลงจากที่จงกรมแล้วเข้าไปสู่วิหารนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วได้มานาสิการโดยแยบคายเฉพาะตนท่านพระมหามมคลานะได้เห็นมารใจบาปเข้าสิ่งในท้องในไส้แล้วจึงเล็กเหล่ากับมารใจบาปว่ามารท่านจงออกมา ท่านอย่าเบียดเบียนพระตถ า, าคตและสาวกของพระตถ า, าคตเลยการเบียดเบียนนั้นอย่าได้มีเพื่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อความทุกข์แก่ท่านตลอดกาลนานลำดับนั้นมานใจบามีความดาเรีอย่างนี้ว่าสมณะนี้ไม่รู้ไม่เห็นเราจึงกล่าวดังนั้นแล้วจึงคิดว่าแม้สมณะที่เป็นศัสดายังไม่รู้จักเราได้เร็วไวฉไห น, นสมณะที่เป็นสาวก จะรู้จักเราได้ในขณะนั้นท่านพระมาหาโมคลานะจึงบอกกับมารให้ออกมาเถิดและบอกให้ฟังถึงเรื่องที่ท่านรู้เกี่ยวกับความคิดของมารในขณะนั้นลำดับนั้นมารใจบาบมีความดำริว่าสมณะนี้รู้จักและเห็นเราจึงกล่าวอย่างนี้จึงออกจากปากของท่านพระมาหาโมคลานะ แล้วยืนอยู่ข้างบานประตูท่านพระมหาโมคคลาณะได้เห็นมารใจบาปยืนอยู่ข้างบานประตูเราจึงพูดว่ามารเราเห็นท่านแม้ที่ข้างบานประตูนั้นท่านอย่าเข้าใจว่าสมณะนี้ไม่เห็นเราเรื่องเคยมีมาแล้วเราเป็นมารชื่อทูสีมีน้องสาวชื่อกาลีท่านเป็นบุตรของน้องสาวเรา ท่านเป็นหลานชายของเราครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกคขุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงมีคู่พระอัครส า, าวกชื่อว่าวิทุระและสัญชีวะในบรรดาของพระสาวกของพระกัคขุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่าที่มีอยู่ไม่มีสาวกองใด ที่จะเสมอด้วยท่านพระวิทุระในการแสดงธรรมด้วยเหตุนี้ท่านพระวิทุระจึงมีชื่อว่าวิทุระส่วนท่านพระสัญชีวะอยู่ในป่า ก, ก็ดีโคนไม้ก็ดีเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมเข้าสัญญาเวทาอิตนิโรธสมาบัติด้วยความลาบากเล็กน้อยเรื่องเคยมีมาแล้วท่านพระสัญชีวะ นั่งเข้าสัญญาเวททอิตานิโรธอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์คนไถนาและพวกคนเดินทางได้เห็นท่านพระสัญชีวะนั่งเข้าสัญญาเวททอิตนิโรธอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแล้วได้ปรึกษากันว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงพระสมณะ น, นี้นั่งมรณภาพแล้วเอาละ่ะพวกเราช่วยกันเผาท่านเถิด ครั้งนั้นคนเหล่านั้นจึงหาย้าไม้และมูลโคมากองสมกายท่านพระสันชีวะจุดไฟเผาและจากไปเมื่อราตรีนั้นผ่านพ้นไปแล้วท่านพระสันชีวะออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็สลัดจีวรเวลาเช้าครบระนัรวาสศกแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังหมู่บ้านพวกคนเลี้ยงโคคนเลี้ยงปัสุสัต คนไทยนาผู้คนเดินทางได้เห็นท่านพระสันชีวะเที่ยวบินทบาทแล้วได้ปรึกษากันว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงพระสมณะนี้นั่งมรณภาพแล้วกลับฟื้นคืนชีพได้ด้วยเหตุนี้ท่านพระสันชีวะจึงมีชื่อว่าสันชีวะมานครั้งนั้นทูสีมานมีความดำริว่า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 ทำให้ทูสีมานพึงได้โอกาสครั้งนั้นพวกพรามและกหาบดีถูกทูสีมาดนดลใจแล้วก็ด่าบริพาสเกลลาดเบียดเบียนพวกภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมว่าภิกษุพวกนี้เป็นสมณะหัวโลนเป็นข้างเป็นผู้เกิดจากหลังเท้าของพรมเป็นผู้คอตกก้มหน้าเกียรติคร án ย่อมรำพึงซบเซาเหงาหงอยมานสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่ตายไปก็จะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตและนรกโดยมากมานครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากักุสันทะผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถึงเรื่องที่พวกรามและกะบดี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 เการุณาจิตมุทิตาจิตและอุเบกขาจิตอันภัยบู์เป็นมหักระตัไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่และภิกษุทั้งหลายก็ได้ทําตามรับสั่งนั้นมานครั้งนั้นทูสีมานีความดําริว่าเราทําอยู่แม้ถึงอย่างนี้ก็ไม่ได้รู้ถึงการมาและการไปของภิกษุผู้มีศีล มีการละยานธรรมเหล่านี้เลยทางที่ดีเราควรจะชวนพราหมณ์และกะหะบดีว่าเชิญท่านทั้งหลายมาสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีล ม, มีการลยานธรรมกันเถิดทำอย่างไรภิกษุทั้งหลายนั้นจะพึงมีจิตเป็นอย่างอื่นทําให้ทูตสีมานพึงได้โอกาสข้อนี้คือย่อให้โกรธไม่ได้ ก็เปลี่ยนเป็นมาชมให้หลงให้เสียคนแทนครั้งนั้นพราหมณ์และกะหบรดีเหล่านั้นถูกทูตสีมารชักชวนแล้วพากันสักการะเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมมารสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายที่ตายไปก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์โดยมากมาร ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากกุสันทะผู้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกพราหมณ์และขะหาบดีถูกทูตสีมานชักชวนมาสักการ ะ, ระเคารพนับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมดังนั้นจึงตรัสแนะนําว่าภิกษุทั้งหลาย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 มานครั้นในเวลาเช้าพระกะกุสันทะพุทธเจ้ามีท่านพระวิทุระเป็นปั ช, ชาสมาณะคือผู้ติดตามสเสด็จเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อบินธบาตครั้งนั้นทูสีมานได้เข้าสิงเด็กคนหนึ่งแล้วเอาก้อนหินคว้างที่ศีสะของท่านพระวิทุระแตกจนเลือดไหลาอาบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากะกุสันทะ ผู้เป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจำเรืองดูเหมือนช้างจำเรืองดูแล้วตรัสว่าทูสีมานนี้ไม่รู้จักประมาณเลยคราวนั้นทูสีมานเคลื่อนจากที่นั่นไปเกิดในมหานรกพร้อมกับพระกิริยาที่ทรงจำเรืองดูมานมหานรกนั้นมีสามชื่อคือหนึ่ง จปัสสัยตะนิกานรกนรกที่มีปัสสัยตนะหกเป็นเหตุเกิดทุกเวทนาอันเผ็ดร้อน 2. สังกุสมาหัตะนรกนรกที่สัตว์นรกต้องถูกแทงด้วยขอเหล็ก 3. ปัจจตตาเวทนียนรกนรกที่สัตว์นรกก่อทุกเวทนาให้เกิดแก่ตนเอง ครั้งนั้นพวกนานิระยะบาลเข้ามาหาเราผู้เป็นทูสีมาในเวลานั้นแล้วบอกว่าเมื่อใดเหลาเหล็กกับเหลาเหล็กมารวมกันที่กลางหาไทยของท่านเมื่อนั้นท่านจะพึงรู้ว่าเราไม่อยู่ในนรกพันปีแล้วเรานั้นหมกไม่อยู่ในมหานารกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีและหมกไม่อยู่ในอุสธรก ซึ่งเป็นบริวารแห่งมหานรกนั้นเสวยทุกเวทนาหนักกว่าก่อนอีกหนึ่งมื่นปีเหล่านั้นมีร่างกายเหมือนมนุษย์มีศรีรษะเป็นปลาอาวสานคาถาทูสีมานประทุสรายพระสาวกชื่อว่าวิทุระและพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐพระนามว่ักะกุสันทะแล้วไม่อยู่ในนรกใด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 ย่อมประสบทุกข์ยังหนักวิมานทั้งหลายตั้งอยู่ใน่าำกลางมหาสมุทรตลอดกับมีสีเหมือนแก้วไัยทูลมีความรุ่งเรืองมีรัศมีโชดช่วงเป็นประพัสอนมีเหล่านางอับสอนมีผิวพันธ์ต่างๆเป็นอันมากฟ้อนรำอยู่ภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักวิมานนั้นมานประทุสร้ายภิษุเช่นนั้น ย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดผู้ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตักเตือนแล้วเมื่อภิกษุสงเห็นอยู่ทำปราสาสตของมิขารมาตาให้ไหว้วยปลายนิ้วหัวแม่เท้าภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมานประทุสร้ายภิษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนัก ภิกษุรูปใดมีกำลังเข้มแข็งด้วยกำลังฤทธิ์ทำเวชยันตปราสาทให้ไหวด้วยปลายนิ้วหัวแม่เท้าและทำเหล่าเท ว, วดาให้สังเวชภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมานประทุษร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดทูลสอบถามเท้าสักกะในเวชยันตปราสาทว่า ท่านวาสวะท่านย่อมรู้ความน้อมจิตไปในธรรมะเป็นที่สิ้นไปแห่งปัญหาบ้างไหมท้าวสักกะถูกถามปัญหาแล้วจึงตอบแก่ภิกษุนั้นตามควรแ ก, ะกะ่คาถาภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้จักเหตุนั้นมานประทุสร้ายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกข์อย่างหนักภิกษุรูปใดสอบถามรม นาที่ใกล้สุดท ร, รมสภาว่าท่านเห็นทิฏฐิของท่านในวันนี้และทิฏฐิของท่านที่มีในวันก่อนท่านเห็นทิฏฐินั้นล่วงไปแล้วและรัศมีเป็นประพัสสอนในพรหมโลกบ้างหรือไม่พรหมตอบแก่ภิกษุนั้นตามลำดับโดยกวรแก่กระถาว่าท่านผู้นิระทุกข้าพเจ้าไม่มีทิฏฐินั้นและทิฏฐิในวันก่อน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 ได้สัมผัสยอดภูเขาใหญ่ชื่อสินเนรุชมพูทวีปปุกพระวิเทหทวีปอมระโคยานาทวีปและอุตรากูรุทวีปด้วยวิโมกภิกษุรูปใดเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าย่อมรู้เหตุนั้นม่านประตุสายภิกษุเช่นนั้นย่อมประสบทุกอย่างหนักคนพานมาเข้ากองไฟที่กำลังลุกโชน ยอมเดือดร้อนอยู่ว่าไฟย่อมไม่คิดจะเผาเราแต่เราเผาตนผู้เป็นคนพาลเองมานท่านเบียดเบียนพระตถาคตแล้วจะเผาตัวเองดังคนพาลที่ถูกไฟเผาเช่นนั้นมานท่านเบียดเบียนพระตถาคตแล้วต้องประสบบาปท่านเข้าใจหรือว่าบาปไม่ให้ผลแก่เราผู้ที่สั่งสมบาป ย่อมอดครวนตลอดกาลนานมานท่านเบื่อหน่ายพระพุทธเจ้ายาวหวังที่จะทำให้ภิกษุทั้งหลายพินาศเลยภิกษุได้คุกคามมาในเพศสักกาลวันด้วยประการชนนี้ลำดับนั้นมานั้นเสียใจได้อันตรธานไปจากที่นั้นดังนี้แหละจบ พระไตรปิฎกเล่มที่12